ยินดีต้อนรับสู่สถานีพิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในตุกวันพุทธเป็นช่วงกลองใต้ร่มโพธิบทที่พระเจ้าจะมาพาท่านมาฟังทมสมาธิ5หนาทีส0นาทีจากนั้นเราก็จะมาฟังธรรมะทำความเข้าใจในหัวข้อคำสอนในเรื่องของปฏิจจ สมุปบาทเป็นธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นตอนนี้เรามาทำจิตให้สงบกันซก่อนด้วยการมาตามระลึกถึงลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าเป็นอาณาปานาสติ โดยการมาเฝ้าสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจที่เป็นธรรมชาติปกติธรรมดาเราไม่ต้องไปแต่งให้สั้นยาวเร็วช้าแรงคล้อยร้อนเย็นหรืออ่ อ, อนหรือแรงอย่างไรอย่างไรแต่ให้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็คือร่างกายของเราเข้าจะปรับปริมาณลมที่เขาต้องการอย่าง เป็นปกติของเขาอยู่แล้วถ้าบางคนวิ่งออกกำลังกายก็จะหายใจทีหน่อยแรงหน่อยคนไหนเพิ่งตื่นนอนมาก็จะหายใจสั้นๆห่างๆให้เป็นธรรมชาติเพียงแต่ที่เราต้องสังเกตไว้คือลมไม่ต้องตามลมวิธีสังเกตลมคือดูอยู่ณนะที่ตำแหน่งเดียว เอาตำแหน่งที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจคือในบริเวณโพร่งจมูกสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องตามเข้าหรือออกไม่ต้องแต่งลมให้ยาวสั้นช้าเร็วหรืออย่างไรพอเราปรับเรื่องกายของเราให้ถูกต้องแล้วคราวนี้มาดูเรื่องจิตใจด้วย การสังเกตลมนั้นไม่ใช่เป็นการบังคับลมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เป็นการบังคับจิตด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่าบาังคับกายหรือบังคับจิตส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งสองส่วนก็ตามมันจะปวดหัวมันจะเมื่อยคอมันจะเมื่อยคิว้วมันจะเมื่อยจิตด้วยแต่ให้ปล่อยไหลคอหลังสบายๆเป็นธรรมชาติจิตใจก็ด้วยอย่าไปบังคับ ว่าต้องคิดหรือต้องไม่คิดให้เป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะธรรมชาติของหูเนี่ยพอมันมีเสียงพวกเราก็จะได้ยินทันทีเราอย่าไปต้องบ้าต้องอย่าทำเสียงนั่น น, น, นี่ไม่ดีไม่ได้หรือธรรมชาติของใจมันก็มีธรรมารมเป็นความคิดนึกเกิดอ่ะมันก็ธรรมดาเราอย่าไปบังคับว่าต้องอย่าคิดนะต้องคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นไม่ได้มันจะปวดหัวแต่ให้สังเกตเฉยๆในที่นี้ สังเกตลมไม่ลืมลมจิตลมมันก็จะไม่เผลอเปลินไปตามเสียงไปตามความคิดนั้นมากเท่าไหร่ความเปลินกับการรับรู้มปนคนละอย่างกันความไม่เปลินคือมีสติกับการรับรู้ก็คือคนละอย่างกันรับรู้คือวิญญาณคือการรู้แจ้งก็ได้การรับรู้ก็ได้รับรู้แล้วจะเปลินหรือจะไม่เปลินก็ได้ รับรู้แล้วบางทีก็เปลินตามไปถ้าไม่มีสติรับรู้แล้วบางทีก็ไม่เปลินไม่เปลดตามไปถ้ามีสติไม่ลืมหลงลงมหายใจนี่ตรงนี้เราต้องการเอาตรงจุดนี้รับรู้แต่ไม่เปลินตามไปโดยการให้มีสติอยู่กับลมพอมีการรับรู้เสียงผ่านทางหูความคิดนึกผ่านทางใจภาพผ่านทางตารับรู้ได้อยู่ แต่ไม่เปลี่ยนตามไปด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้ยุกนลมหายใจทํามันยังเป็นธรรมชาติอย่าไปคิดนะหนูวางว่าโอ้ฉันทําสมาธิแล้วมันต้องไม่คิดอะไรเลยมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรเลยต้องเงียบมิดหมดโอ้ยนั่นมันก็คนละอย่างกันเขาอย่างว่าเวลาเราทํางานที่ประชุมหรือสอบหนังสือเรียนผ่านมาได้ คุณก็มีสมาธิในที่ทำงานมีสมาธิในการเรียนการสอบทั้งนั้นแหละเราเอาสมาธิแบบเดียวกันนี่แหละตัวฝังเป็นพื้นฐานเอาจุดที่เราทำได้เพอเราจิตมาจดจอ่อไม่ส่งใจไปตามเรื่องใดๆรับรู้แล้วก็อยู่กับลมไม่ลืมลมจะรับรู้เสียงจะรับรู้กลิ่นรับรู้ภาพรับรู้ความคิดนึกก็ไม่ เผื่อเปลื่นไปทางนั้นแต่มามีสติตั้งไวอยู่กับลมได้ไม่ลืมลมเพราะเราทใบทําใบครับบฟังบุคคลที่มีสติคือความระลึกได้แบบนี้จะทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วจะทําจิตของเราให้มีความระ ง, งับลงระ ง, งับลงได้จิตของเราที่มีความระ ง, งับลงระ ง, งับลงแล้วมันจะเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์มันเดียวได้ จิตที่เป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวได้เราจะมีความสุขที่อยู่ในภายในได้เพราะฉะนั้นให้เรารักษาจิตของเราที่เป็นสมาธิที่เกิดจากสติรักษาไว้ให้ดีทำให้อยู่อย่างต่อเนื่องรักษาทำให้มันได้อยู่ตลอดทั้งวันอาวละเตมุฟัง หลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่ว่าด้วยการอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมะเรื่องหัวข้อที่ใครๆคัดง้างไม่ได้เป็นธรรมะหัวข้อ ที่ใครๆจะโต้แย้งไม่ได้เป็นธรรมหัวข้อที่ถ้าเมื่อคนที่เป็นบัณฑิตมาคุยกันทำความเข้าใจกันถกกันแล้วจะสามารถที่จะเปิดเผยความลึกซึ้งลึกลำ้ำคลี่คลายนำแสงสว่างนำความเข้าใจนาความชัดเจน ให้เกิดขึ้นขึ้นมาได้ธรรมาหัวข้อนี้นั้นคือปฏิจจสมุปาเอพิโซดนี้เป็นตอนที่สในช่วงของใต้ร่มโพลิบททุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในรายการนี้ก็มีมูลนิธิปัญญาภาวนามาเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีขาเจ้าพร ะ, าระมหาภัยบูนหาพิปุนโนมาพบกับตัมบูฟังเป็นประจำในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เรากำลังทำซีรีส์อยู่นี้ก็จะให้ตัมบูฟังทำสมาธิกันสั้นๆสักครู่หนึ่งแล้วก็มาฟังธรรมะคำสอนเหล่านี้จริงๆตอนแรกขรเจาคิดว่าซีรีส์ปฏิจจสมุปาทนี้ จะอธิบายกันแต่ละตัวละตัวไปสัก 2- อสามชั่วโมงก็า่าจะเรื่อบร้อยเข้าใจดีแต่ว่าพอมาอธิบายทําความเข้าใจในแต่ละข้อแต่ละอาการแต่ละคู่แล้วนี่ก็คิดว่าไอ้มันไปต่อได้นะ s ี r i นี้หนึ่งจากว่าธรรมะที่อาศัย ก, กันและกันแล้วเกิดขึ้นมันไม่ได้มีแค่11คู่นี้12อาการ แต่ว่ามันก็ยังมีเยอะต่อไปอยู่ก็เลยใช้เวลาในแต่ละตอนนี้ให้มันละเอียดรัดกลุ่มราบครอบกำหนดบทเรียนชนะให้ถูกต้องชัดเจนกันไปเลยถึงคิดว่าจะเป็นซีรีส์ที่จะไปสักประมาณ 6-7 ถึงตอนหรืออาจจะถึง10ตอนเลยด้วยซ้ำตามฟังเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในหลักการ ของการอาศัยกันของการที่เกิดขึ้นและดับไปทั้่ผฟังลองจินตนาการนึกตามกันไปนี่อยากจะให้นึกภาพขึ้นในหัวเพื่อให้มันจำได้ง่ายๆในปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการทั้งหมด12อาการ11คู่นี่โดยนึกถึงหน้าปัดของนาฬิกา ขือนาฬิกาเข็มที่จะเริ่มต้นตรงมุมศูนย์องศาทางด้านบนสุดเลยก็เลข12หมุนมาตามเข็มนาฬิกาก็จะเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลขหแล้วก็เลข6เลข6นี่จะอยู่ทางด้านล่างสุดก็เลขทางด้านตายมุมตรงนี้ก็เรียกว่ามุมร้อย80องศา มุม0ูองศาคือตรงเลข12มุมร้0ยองศาคือตรงเลขหนับขึ้นไปอีกเป็นเจ 9, ด0ปดแล้วก็บนกลับมาที่เลข12มุมกลับมาอันนี้ก็เป็นมุม3 6มมี12ตัวหมุนเป็นวงกลมเริ่มจากเลข12ตรงสูนองศา มาที่มุมร้ายิก็เลขหนี่อยากใช้ทุกฝัง่งใส่เจ้าทั้ง12องอาการนี้ลงไปตามตัวเลขโดยเอาเจ้าอาวิชชาใส่ไว้ที่หมายเลข12เจ้าทุกทุกคือความแก่และความตายใส่ไว้ที่หมายเลขหนึ่งเพราะความเกิดใส่ไว้ที่หมายเลขสองเอาพบคือความเป็นสภาวะ ใส่ไว้ที่หมายเลขสตรงนี้ก็จะเป็นมุม90องศาเอาอุปาทานคือความยึดถือใส่ไว้ที่หมายเลขสเอาตัณหาคือความทยานอยากใส่ไว้ที่หมายเลขห้าเอาความรู้สึกคือเวทนาใส่ไว้ที่หมายเลข6ตรงหลักๆสําคัญนะเวลาพระพุทธเจ้าตอเมนบุริสัต ท่านเริ่มไตรตรองไกรกลวนเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านก็เริ่มจากหมายเล็กหนึ่งคือเริ่มจากทุกข์ซะก่อนเอ้ยทำไมเราถึงมีความทุกข์นาะความทุกข์ทุกสุดๆเนี่มันคือความแก่ความตายพระอะไรมีนอกความแก่ความตายจึงได้มีนี่ท่านคิดมาอย่างนี้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งก็จึงได้รู้ถึงว่าโอ้มันมีการเกิดในลำดับการคิด ก็จะมาตามหมายเลขเริ่มจากหนึ่งจนตอนนี้เลขหกนี่คือเวทนาทำไมเอาเวทนาไว้ตรงเลขหกเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันมารวมลงที่เวทนาเวทนาทั้งหมดรวมลงในความทุกข์หูดแล้วมันอาจจะเป็นคนละทิศทางแต่มันคืออย่างเดียวกันตกลง เพราะว่าเราจะทำอะไรจะกินอะไรจะทำงานที่ไหนจะพูดกับใครยังไงก็หาเวทนาคือสุคนี่แหละลีกเวทนาคือทุกเนี่แหละไม่อยากได้ทุกไงรักสุขเกลียดทุกคนดอรทุกคนเป็นอย่างนั้นไอเวทนาตัวนี้มันจึงเป็นที่รวมลงของอะไรต่างๆมั น, นรวมลงตรงนี้อา้าวแล้วพอมีเวทนา มันจะเกิดอะไรต่อไปทำไมถึงมีเวทนาได้เวทนาเป็นเหตุของอะไรก็จะได้ข้อที่เเลข7ต่อไปก็คือผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา เ, าเพราะอะไรมีผัสสะจึงมีเลขแก็เป็นจนัลยตนะเลขเก้ก็เป็นนามรูปนามรูปนะนามรูปอยู่ตรงมุม270สองศา ขึ้นไปจากนามรูปหมายเลข9กหมายเลข10บก็คือวิญญาณหมายเลข11ก็คือสังขารหมายเลข12ก็คืออวิชชาไปมาฟังสังเกตตรงหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลข6กหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือความแก่ความตายมันจะมารวมลงทั้งหมดเลยทุกเนี่ยนะเขาที่หมายเลข6มันอยู่ต่ําสุดคือเวทนา ลองสังเกตดูตรงหมายเลขสตรงมุม90กับมุมสองร้เจหมายเลขสกับหมายเลข9กนี่ก็สำคัญหมายเลขสมคือความเป็นพบคือความเป็นสภาวะมันเป็นที่รวมของนามรูปทั้งหมดพบเนี่ยเป็นเรื่องของ time and space คือเวลาและสถานที่นามรูป ก, กับวิญญาณเป็นเรื่องของทั้งระบบ ตั้งแต่เลขก9เลข10เลข1 1เล็ดเลขมีซีกนี้เป็นเรื่องของทั้งระบบอย่างที่ได้พูดไปเมื่อเอพิโซดที่แล้วมนแมน่ใจธรรมวาังเข้าใจหรือเปล่าวรุเรื่องของควันดำควันดำฟิสิกส์ควันดำมมยซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกันกบที่ประพุชาค้นพบตั้งแต่ก่อนการตระสรู้นะ่ะ เพราะาคิดเรื่องนี้มาก่อนคือจะนี้พอหลังจากตระสสรู้แล้วก็มาทำบทเพียนชนะให้มีความรัดกุมชัดเจนราบคอบมอีระเบียบถ้อยคำการบัญญัติสับอะไรที่มันชัดเจนแต่เดีวหลักการเนี่ยไม่ได้นี้เปลี่ยนไปช่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่บรรลุธรรมหรอกเพราะาคิดเรื่องนี้ไงจึงบรรลุธรรมได้ เพระาะไตรตรองใอกล้ครวนเรื่องนี้แหละจึงทำให้เกิดความรู้คือวิชาได้ว่าถ้าเราสังเกตตรงไหนมันก็มีสิ่งนั้นตรงนั้นนั่นแหละมันอยู่ที่ผู้สังเกตแล้วก็สิ่งที่เราไปสังเกตนั้นต้องอาศัยกันมันจึงเกิดขึ้นได้ในกรณีของวันตัมเนี่ยนะเขา สามารถพิสูจน์ได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เลยนะระวับบงนะว่าเออถ้าเราสังเกตแสงว่าเออมันเป็นคลื่นนะเ อ, อ๊มันก็เป็นคลื่นขึ้นมาถ้าเราสังเกตแสงว่าเออมันเป็นอนุภาคนะมันก็เป็นอนุภาคขึ้นมาเอาทำไมเรื่องนี้มันถึงยิ่งใหญ่นกะท่านโหอกว่สมัยก่อนนี่นะวิทยาศาสตร์ก็แบ่งกันเป็นข้ายเลย เหมือนพวกเหลืองพวกแดงพวกส้มอย่างนี้แหละเถียงกันคอไปเน้นนะทุกฟังว่าแสงนี่เป็นคลื่นแสงนี่เป็นพาติเคิลเป็นอนุภาคเถียงกันทำวิจัยนั่นนี่ออกมาจนจริงๆแล้วพบว่าอา้าวูกต้งกูไม่ได้มีใครผิดหรอกเพียงแต่ว่าคุณมองจากมุมไหนเท่านั้นเองอเหมือนเหรียญนะ ตัวผู้ฟังเนหะมืนเหรียญคนที่มองเหรียญจากด้านหัวมันก็บอกว่าเหรียญ น, นี่มีหัวอยู่นี่คนที่มองเหรียญจากด้านก้อยว่าอนนี้เหรียญเนี่ ย, เ, ย, น เ, นยเป็นด้านก้อยนี่พระพุทธเจ้าท่งเปรียบเรียบอย่างนี้ว่าเหมือนคนตาบอดแต่กําเนิด น, นะไม่เคยเห็น รูปไม่เคยเห็นภูมิภาคไม่เคยเห็นสีไม่เคยเห็นแสงอะไรเลยคือเห็นสว่างๆนิดหน่อยแค่นั้นเองเราจะจะมารู้ว่าสีม่วงสีเขียวอะไรเงี้ยไม่เห็นมันเป็นฝ้าๆมัวๆ ม, ม, มืดๆไปหมดเลยก็เอาคนตาบอดแต่กำเนิดเหล่านี้มารวมกันในที่เดียวกันแล้วก็เอาช้างมา บอกให้เออคนตาบอดทั้งหลายนี่เคยเห็นช้างไหมโอ้ยไม่เคยเห็นละช้างเป็นยังไงเอาเงัน้นเดี๋ยวฉันจะแสดงช้างให้ดูโดยเลยเอาคนตาบอดแต่กำเนิดนี่นะเข้าไปให้ดูช้างหลังม่านทีละคนทีละคนอ๋อคนตาบอดคนแรกคลำที่ตัวช้างไปคลมส่วนขาโอ้ช้างเหมือนสาว เอาคนตาบอกคนที่สองไปดูช้างเป็นยังไงอ้ก็ดูไม่ได้ว่าตรงตาบอดจะแบบกขาคลาเอาไอ้คนที่สองนี่ไปคลำตรงหางก็บอกอ๋อช้างเหมือนยูวอดโอเคเขาา้าใจละไอ้คนที่สามก็ไปคลาดูไปไปคลำส่วนที่เป็นงาก็บอกว่าอ๋อช้างเหมือนงอนไถเออใช่ไอ้คนที่4เข้าไปคลำตัวช้าง กูเลยบอกโอ้โหมันเหมือนพ่อมแล้วเนี่ยภาชนะใส่สิ่งของใหญ่มากเลยเนี่ไอคนต่อไปก็ไปคําตรงงวงช้างเดะไปโดยมันตรงนั้นพอดีก็เลยบอกว่าช้างเนี่เหมือนงูอีกคนหนึ่งก็ไปดูช้างโดยคลา ม, มันตรงหูคลาหูช้างก็เลยบอกว่าเออช้างนี่เหมือนพัดที่เอาไว้สำหรับพัดไปพัดมาได้ให้เกิดลมได้ ต่างคนก็ต่างมาคุยกันนะว่าไอ้ช้างนี่เหมือนอะไรแกไปดูมาแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันจะไปดูอะไรฉันตาบอยฉันก็ไปคำนิเชอนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละต่างก็เถียงกันนะว่าช้างเหมือนพ่อหมบ้างช้างเหมือนงอนไทยบ้างช้างเหมือนไม้กวาดบ้างช้างเหมือนสาบ้างทะเลาะกันละทีนี้ทะลาะ ก, กันแล้ ว, ลกกลวไม่ช้างต้องเป็นอย่างนี้ช้างไม่ใช่อย่างนี้ มีคนบอกมันจะแผ่อะไรก็ฉันจับมากับมือเนี่ยช้างมันต้องเหมือนงูอีกคนหก็ไม่ใช่ฉันก็เห็นมันกตาเอ้ยฉันก็จับมากับมือนี่แหละช้างมันเหมือนผานที่ไว้ไถดินเหมือนงอนไถโออันนี้ก็เรียกว่าตาบอดคลมช้างคนที่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องปฏิจาสมุบาทนะตั้งฟังมันจะยุ่ง ยุ่งเหยิงยุ่งอีลุงตุงนังยุ่งยิ่งกว่ารากของต้นไผ่ยุ่งยิ่งกว่าบมของกลุ่มได้ที่พันกันยุ่งเหยิงอีลุงตุงนังยุ่งยิ่งกว่ารังนกเคยมาฟังก็เห็นรังนกไหมไม่ใช่รังนกที่ใส่มาในขวดแล้วกินคืบๆนะรังนกจริงๆอังนี่มันอยู่บนต้น ที่นกมันเอาหญ้าเอาเศษกิ่งไม้อะไรมาเสียบเสียบกันเอาไว้เนี่ยเสียบสารกันเอาไว้เพื่อมันอยู่เนี่มันยุ่งมากตรงนั้นไม่มีแพทเทิร์นอะไรเลยทำใม้มันเป็นรูปทรงได้แค่นั้นเองหรือเวลาที่ได้มันพันกันพันกันเป็นปมยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเป็นปมอย่างใหญ่มากนี่จิตมนุษย์เป็นอย่างนี้ แล้วก็ยังมีความยุ่งของรากต้นใบ่ท่านผู้ฟังมีกอไปอยู่ที่บ้านนะถ้าเราขุดดินลงไปดูนี่ลงไปสักไม่ต้องถึงอะไรมากสักสองสามนิ้วนะ่ะลงไปเจอรากของต้นใบนะ่ะโอ้โหมันจะแบบฟาดกันเป็นยอนญ่เป็นฝอยพันกันไม่หมดอนะ่ะยุ่งไปเลย และตัวมันก็ต้องการจะใช้รากนี้เป็นตัวยึดเกาะดินให้มันตั้งอยู่ได้ขึ้นมาไม่เหมือนกับรากของหญ้าแฝกที่มันจะพุ่งลงดินไปใช่ไจะเป็นแนวเป็นทิศทางที่จะดูได้แต่รากของต้นไผนี่ยมันยุ่งพันยุ่งตรงนังกันไปหมดเลยจิตใจของมนุษย์ที่ว่าอยากได้ตรงไหนก็ววไปสอดส่องอยู่ตรงนั้น มันจึงเห็นสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นขึ้นมานี่คือลักษณะของควันตั้มไมเขาก็จึงเอาหลักการเนี้ไปทำคอสทำอะไรขายนะท่าฟังไปจัดสัมมนาคุณตั้งจิตอย่างนี้คุณคิดอย่างนี้เพื่อที่จะ manifest เข้าใจคำนี้คือสร้างสรรสิ่งที่เราจินตนาการให้มันปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราได้ เขียนหนังสือเนี่ยโอ้ขายได้เป็นล้านเล่มเลยนะ law of attraction กฎของแรงดึงดูดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เพราะว่าเราส่งจิตตั้งจิตจดจ่อจิตไปทางไหนสิ่งนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมานี่คือลักษณะของนามรูปวิญ ญ, ญาณวิญญาณนามรูปเลยคุณสนใจใส่รู้ตั้งใจไว้ตรงไหนการรับรู้อยู่ตรงไหนนามรูปมันก็อยู่ตรงนั้น วิญญาณไม่อยู่ตรงไหนนารูปมันก็ไม่อยู่ตรงนั้นนารูปจะมีหรือไม่มีมันก็อยู่ที่ว่าวิญญาณมันไม่มีหรือมันมีถ้ามันมีพร้อมกันมันถึงจะเกิดขึ้นถ้าอันใดอันหนึ่งอยู่ไม่ได้อีกอันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้อันนี้ทบทวนนะทุกฝังนะแล้วก็ให้จินตนาการถึงหน้าปัดนาฬิกาเพื่อที่ว่าเราจะได้จาได้ให้เข้าใจไอ้ทั้งวงนี้เหมือนหมุนไปอย่างงี้หละ หมุนใบหมุนมาหมุนมาหมุนไปหมุนไปแต่ละรอบหมุนไปแต่ละรอบกลมัดกันเข้ามัดกันเข้ายุ่งเหยิงอิลุงตุงนังยุ่งเหมือนกับว่าอะไรก็ไม่รู้มันยุ่งมากเลยเราคิดว่าเอ้ยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเรื่องการแพทยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการเงินการธนาคาร เทคโนโลยีเรื่องสิ่งประดิษฐ์ต่างๆทางฟิสิกส์ทางเคมีต่างได้น็อเบิลปรซ์กันเป็นประจำอยู่เรื่อยๆ เ, เราคิดว่าตั้งแต่สมัยยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1ครั้งที่สองนู่นแล้วว่าโอ้ยสิ่งอะไรที่ถูกคิดค้นได้ในโลกนี้มันหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะคิดค้นใหม่ได้อีกแล้ว โอ้ยแต่ตั้งหลังจากนั้นมายังมีเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งประดิษฐ์นั่นนี่ก็คิดค้นตามไปไม่ได้อีกนี่มันไม่จบนี่มันก็ไปเรื่อยๆไงใช่ปะละ่ะไอ้จังหวะที่มันไปเรื่อยๆมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไอ้ ه, ทำไมความทุกข์เราไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะเออใช่อายุมีความสะดวกสบายทางการเดินทางเครื่องบินเรือหรือแม้แต่การสื่อสาร แต่ว่าความทุกข์หนึ่งก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่ไม่โรคไปไข้เจ็บหลายๆอย่างมันเพิ่มขึ้นไอ้ที่มันหายไปมันก็มีแต่ว่าหายไปมันน้อยกว่ามีมากขึ้นนะด็แสดงว่าปัญหาเรื่องความทุกข์หนึ่งมันไม่ได้แก่ถูกจุดไงด้วยสิ่งประดิษฐ์หรืออะไรต่างๆคําถามในที่นี้ก็คือนี่เป็นประเด็นที่สามที่เราจะพูดกันในวันนี้แล้วนะ ประเด็นที่หนึ่งที่ข้าพเจ้านำเสนอคือเรื่องของหน้าปัดนาฬิกาประเด็นที่สองก็คือคนที่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็จะยุ่งงงมึนเหมือนตาบอดไปคําช้างประเด็นที่สามที่พูดกันในวันนี้ก็คือจะต้องการเจอดจงลงมาในเรื่องของเจ้าตัวอวิชชา คราวที่แล้วเราจบเรื่องของอภิชาไว้วันนี้อยากจะมาต่อไอ้ทุกตรงตัวนี่แหละที่ว่ามันมีพลังมากจึงอวยบนสุดเลขส2องเพราะมีอะไรจึงเหนียวิชาพระปริุชาตอนแรกนันก็วนไปใช่ไหมตอนคิดอยู่เป็นโพธิชัดนี่นามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปคู่นี่แหละมันเป็น คู่ที่ปกครองหมดทุกอย่างตั้งแต่เลข9ก้าเลข10ไป1ิบเนี่มันเป็นคู่ที่ครอบงำทุกตัวเลยระบบของนามรูปก็คือไล่ไปตั้งแต่สลายตนะผัสสะวิทนาตันหาอุปทานภพชาติชรามรณะไล่ไปเลยครอบงำหมดเอาล่ะระบบของนามรูปนี้มันจะรู้ได้ไงก็ต้องอาศัยวิญญาณเอาจะมีวิญญาณ มันก็อยู่เองตัวเดียวไม่ได้มันก็ต้องอาศัยน้ํามรูปต้องการให้ทำฟังจินตนาการถึงถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่มืดสนิทเลยในห้องที่มืดสนิทเลยโอเคถ้าเรายังมีมือมีอะไรยังคลาไปได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่ถ้ามือก็ไม่มีแขนขาก็ไม่มีมีแต่ตาอย่างเดียว เ, ยเอาเราก็มือด้วยนี่โอ้มันจะไปเห็นอะไรจะป่ะ ก็ต้องมีแสงสหน่อยหนึ่งเอาพอเปิดแสงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาห้องนี้ก็กว้างมากด้วยซ้ำไม่เห็นอะไรเลยขนาดทั้งที่เปิดแสงนะเห็นแต่เจ้าตัวแหล่งกระเหนิดแสงที่ว่ามันพุ่งเข้าหาตาเราแต่ถ้าแสงเนี่ยเขาทำเป็นบีมมาไวหรือใส่ที่กราบเอาไวให้มันฉายไปได้ทิศทางใดทางหนึ่งทางเดียวเท่านั้น แล้วเขาฉายออกจากตาเราไปนี่เราไม่เห็นแสงอันนั้นโด้วยซ้ำนะเพราะมันก็พุ่งผ่านไปเลยทะลุความเงยไปมองไม่เห็นอะไรจนก ว, ว่าจะต้องมีชิ้นของสิ่งของที่อยู่ขวางเอาไว้ระหว่างแสงกับทิศทางที่มันไปอ่ะเราก็จึงเห็นได้ว่าเออตรงนั้นมีสิ่งของอยู่สิ่งของสิ่งนั้นจะเห็นได้ก็ต้องมีแสงถ้ามันอยู่มื ด, มด ของมันอันเดียวคนอื่นก็จะไม่เห็นตัวมันด้วยซ้าเพราะมันมืดไปหมดใช่ไหมละหรือถ้าแสงส่องไปตรงที่ที่มันไม่มีสิ่งของแสงเราก็ไม่เห็นอยู่ละสิ่งของนั้นจะปรากฏมีต่อตัวเราผู้สังเกตได้ก็ต่เมื่อมีแสงแสงนั้นจะปรากฏต่อตัวเราผู้สังเกตได้ก็ต่เมื่อมีของเรื่องนี้ท่านังจะคิดว่าไกลตัวตัวอย่างนนี้เราก็ได้พูดไปแล้ว รายละเอียดว่ากันไปมาย่อๆตรงนี้เอาไปในการใช้งานด้านอื่นๆเช่นคนที่จะเป็นพ่อคนที่จะเป็นแม่เนี่ยคุณจะเป็นพ่อได้ไงก็ต้องมีลูกหรือเปล่าอันนี้คือแบบว่าในทางด้านจเนติกนะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านพันธุกรรมคือเราไม่ได้นับถึงว่าเอออันนี้ก็นับถือว่าเป็นพ่อนะอันนี้ก็นับถือว่าเป็นแม่นะ น, นี้นับถือว่าเป็นลูกนะอายุใกล้เคียงกัน อันนี้นคือก็ยกไว้อันนี้นคือเป็นพ่อแม่ทางธรรมนับถือกันอะไรนั่นคือทางสังคมวิทยาแต่ถ้าเราดูทางด้านชีววิทยาทางระบบจีเนติกเนี่ยคนที่จะเป็นพ่อได้ก็ต้องมีลูกใช่ป่ะละ่ะว่าแล้วคุณจะมีลูกขึ้นมาได้ไงถ้าไม่มีพ่อแม่ใช่ป่ะละ่ะก็ต้องอาศัยคุณได้เป็นพ่อแม่และพ่อแม่ก็เป็นด้านหนึ่งใช่ไหมลูกก็เป็นอีกด้านหนึ่งถ้ามีชายหญิง คู่กันแล้วเขาไม่มีลูกนี่เราไม่เรียกชายหญิงคู่นี้ว่าเป็นพอ่อเป็นแม่เราก็ไม่มีลูกไงเราจะไปเรียกพ่อแม่ได้ไงใช่ไหมละ่ะความปรากฏมีของความเป็นพอ่อเป็นแม่นี่ปรากฏได้เพราะมีลูกอะไรลูกนี่มาได้ไงเขาลูกก็ถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วจะมาได้ไงใช่ไหมละ่ะจะมีลูกเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ไง จริงๆแล้วอาศัยชายและหญิงถูกไหละ่ะอาศัยชายและหญิงอยู่ร่วมกันหญิงนี่อยู่ในวัยเจริญพันธ์เสร็จแล้วมีคันธัพภาคเข้ามาอาศัยอยู่ในท้องจึงมีการตั้งครรภ์แล้วก็เกิดเด็กขึ้นมาได้คนหนึ่งเด็กที่เกิดขึ้นมาได้คนหนึ่งเนี่ยเราเรียกเขาว่าลูกสองคนชายหญิงที่ให้กำเนิดเด็กขึ้นมานั้นนะ่ะเรียกว่าพ่อแม่ ความเป็นลูกปรากฏขึ้นได้เพราะมีพ่อแม่คุณจะมาเป็นพ่อแม่ได้คุณก็ต้องมีลูกออกมาไงเด็กที่คลอดออกมาจากการผสมของชายและหญิงคู่นี้เด็กคนนั้นนะ่ะเราเรียกว่าเป็นลูกของชายหญิงสองคนนี้ชายหญิงสองคนนี้เราก็เรียกว่าเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือทางด้านพันธุ ก, กรรมนะฝังนะพ่อแม่จึงอาศัยกับ ลูกเกิดขึ้นลูกเพ่อจึงอาศัยพ่อแม่เกิดขึ้นความเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือทางด้านบรรทุกรรมนะคับที่เราต้องการจะเจาะเฉพาะตรงจุดนี้จะมีได้ก็ตอเมื่อมีลูกจะเป็นได้นะเกิดขึ้นมาได้ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันก็จะมีระบบของสังคมระบบของการเมืองของระบบสิ่งแวดล้อมแรงต่างไปอีก บางคนก็มีจิตใจแบบเป็นพ่อแม่ได้โดยที่ทางพันธุกรรมอาจจะไม่มีลูกอย่างนี้อันนี้ก็ว่ากันไปจิตใจเป็นแบบรม น, นั้นยกไว้ต้องการเจาะมาตรงตัวอย่างนี้ว่าสิ่งที่เป็นผู้วิเศษคือนามรูปและวิญญาณนี่มันอาศัยกันเกิดขึ้นแบบนม้มีทั่วไปมีทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรา พ่อแม่ลูกนี่ก็ส่วนหนึ่งหรือดิมาเนนสป라이ด d มาสป l y อุปสงค์อุปทานตัวอย่างนี้คือทางด้านเศรษฐกิจถ้าไม่มีอุปสงค์มันก็ไม่มีอุปทานถ้าไม่มีอุปทานอุปสงค์ไม่ได้ถูกฟ l f i ิลไม่ได้ถูกใช้งานไม่ได้มาแมชโดนกันได้ มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันก็ไม่เกิดกันซื้อการขายนะการซื้อการขายเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ2 อ, อย่างเนี้มันมาสัมผัสกันมาโดนกันมาอยู่ด้วยกันอสมัยนะท่านฟังนะอุปสงค์อุปทานคือดีมาและสัปปายคือความต้องการซื้อกับความต้องการขายอยู่ด้านหนึ่งการขายอยู่อีกด้านหนึ่งแลการขายได้การ แลกเปลี่ยนสินค้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีอุปสงค์มีอุปทานก็ถ้เปรียบคือเอานามรูปนี่น้ำและรูปรวมกันใช่ไหมคืออุปสองค์อุปทานก้อนหนึ่งวิญญาณคือการซื้อขายการซื้อขายก็เป็นด้านหนึ่งอุปสองค์อุปทานก็เป็นด้านหนึ่งอาศัยกันละกันแล้วจึงเกิดขึ้นแบบนี้ราคามันจะขึ้นราคามันจะลงเหมือนก็อยู่ในนี่แหละ และการนี้ทุฝั่งทมกฝั่งลองเอาไปคิดดูนะให้เป็นการบ้านว่าเพราะสิ่งนี้จะมีได้ก็ต้องอาศัยอีกสิ่งหนึ่งอีกสิ่งนี้จะมีได้ก็ต้องอาศัยสิ่งนี้มันอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราอยากจะลองสังเกตดูนี่เป็นสองตัวอย่างง่ายๆไม่ยากเนาะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพ่อแม่แล้ก็การซื้อขายลองไปคิดดูว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมจากมีบ้าง ใปให้ก็ได้ระวงังให้ไปลองคิดดูเรื่องของการทำงานในระบบร่างกายนี้ก็มีอยู่อย่างเรื่องของการแต่งตัวเรื่องแฟชั่นนี่ก็ใช่ด้วยให้ไปลองคิดดูว่ามันทำงานยังไงสิ่งที่ต้องการจะอธิบายในวันนี้คือเรื่องของเจ้าตัวอวิชชานี่เป็นประเด็นที่สามที่ว่าเอ๊ะอาศัยกันแล้วยังไงมันวนไปวนมาวนมาวนไปน้ารูปรูปน้า รูปนามนก็บิญญาณเอ๊ะแล้วก็มีก็ว่งมันก็งยังไงนะไอ้ทั้งหมดเนี้ยเรเรียกว่าการปรุงแต่งแล้วกันนะมันก็ปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมาอย่างนี้ทำไมมันถึงต้องปรุงแต่งแบบนี้นี่ตรงเนี้ยตามฝัังเป็น breakthrough คือการทะลุทะลวงด้วยปัญญาของท่านพอคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปไม่วนไปวนมาใช่ปะโอ๊ยปวดหัววะ่ะ วนมาวนไปวนใหม่วนมานามรูปรูปนามวิญญาณนามรูปใช้กายกายใจวิญญาณใจกายมันก็วนอยู่ในนี้มันออกไปไหนไม่ไหนสิต้องด้วยปัญญาสนะัวันต้องด้วยปัญญาถึงจะมีการ break through break through ไอ้ทั้งหมดเนี่ยเอางี้ละกันมันคือสังขารไอ้ที่เรามันหมุนไปหมุนมาวนไปวนมามันปรุงแตง่งมันจึงรู้ตัวมาอีกเปล่าหนึ่ง แต่ว่าเวลาอะไรมันจะล็อกกันอย่างดีเนี่ยมันล็อกกันสองชั้นเสมอล็อกกันชั้นแรกให้เราวนไปแล้วด้วยเรื่องของสังขารท่านทะลุทะลวงออกมาแนละ้ยังมาเจออีกชั้นหนึ่งที่ว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งนี่มันมีได้ในเพราะอะไรโอ้ยไม่รู้เลยไม่รู้ว่าทำไมมันต้องปรุงแต่งอย่างนี้ปรุงแต่งอย่างอื่นไม่ได้หรอทาไมกูต้องมีเหตุผลด้วยเอ้า ก็ไม่มีเหตุผลแล้วมันจะไปอยู่กันยังไงใช่ป่ะจะให้ผลมันเกิดได้ก็ต้องมางมีเหตุนั้นคุณขึ้นมาเรื่องของเหตุผลมาตลอดไม่ใช่หรือพระอะไรมีอะไรจึงมีพระอะไรดับอะไรจึงดับนี่เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นถึงสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเราก็จะใช้มันดาบ ด, ดับก็ได้เหมือนกันนะ่ะเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเขาก็เหตุผลมาตลอดด้วยหรอไม่ใช่หรอ เออเพ่จริงอยู่เนื้อลายคือการปรุงแต่งมันทำไมถึงมีการปรุงแต่งแบบนี้นี่ตันไล่ย้อนเช็คดับเบิลเช็คเช็คแล้วก็เช็คอีกดับเบิลเช็คครอสเช็คเช็คแล้วเช็คอีกนะเออมันก็เป็นอย่างงี้นี่หว่าเออมันเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหมมันก็จะเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ตลอดกาลนะคือมันยังคัดง้างได้ยังโต้แย้งโต้เถียงได้ แต่ถ้ามันออกมาในรูปของหน้าปัดนาฬิกาแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยบทและเพลงชนะความหมายต่างๆอย่างเนี้มันคัดง้างไม่ได้โต้แย้งไม่ได้แตาจะคุยกันด้วยเหตุผลนี่ไม่ได้นะคือไม่ได้เนี่หมายความว่าโต้แย้งไม่ได้ถ้าจะแบบแถแตะเอาจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวหนันพอไปได้อยู่ก็เหมือนเกับที่เขาคุยทะเลาะกันฝ่ายนึงก็ไม่ยอมอีกฝ่ายนึงมันก็ไปไม่ได้ละอย่างงั้นมัน ไม่เข้าใจกันแต่ถ้าจะคุยกันด้วยเหตุผลทำความเข้าใจให้กันดีเอออันนี้มันจะคัดง้างไม่ได้หมายความว่ามันก็จะต้องเป็นไปตามนี้แหละคำถามคือทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงมีการปรุงแต่งอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จะให้มันเป็นยังไง ในความที่ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้มีเหตุ น, นี้ก็มีผลนี้ก็ถูกต้องปะละ่ะเออถูกอยู่เอาแล้วจะให้ผลนี้เกิดขึ้นต้องเหตุอย่างนั้นถูกปะละ่ะก็ใช่อันนี้ไม่เถียงแต่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็เขาก็คิดกันต่อไปใช่ปะ่ะเสี่นเราบอกว่าทําไมน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นของแข็งที่อุณหภูมิศูนย์องศาได้ ก็คุณอัง เ, เ ย, ยาโกก็ไปคิดเรื่องนี้เราก็รู้กันมาตั้งนานแล้วน้ํานี่มันก็จะเป็นไอขึ้นมานี่ก็ตอนที่มันอุณหภูมิร้อองศ า, าไปต้มน้ําเดือดได้ทําเครื่องจากไอหน้ามาเองต่างได้เขาก็ได้ข้อมูลคําตอบมาว่าอ๋อเพราะการจัดเรียงของอนุภาคมันเป็นอย่างงี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นก็คิดต่อไปอีกใช่ปะก็เพราะว่าการถ่ายเทพลังงานเรื่องเอนโทรปีเรื่องเทอร์โมเดนิมิก มันเป็นอย่างนั้นโอ้โกิตอบไปทำไมันเป็นอย่างนั้นโอเพราะมันมีค่าคงตัวมันอย่างนี้แล้วมันต้องมีค่าคงตัวมันอย่างนี้เอากว่าค่าคงตัวมันเปรียบเทียวกับสิ่งนั้นและกับสิ่งโอ้ยทุกฝั่งเลยยิ่งค้นหาใช่ไหมว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปเจอเรื่องอื่นที่เราก็อืมนั่นแะสิมันมีเรื่องนั้นด้วยนี่เรื่องเทอร์โมเดนิมิก เป็นโทโมเดนิมิขึ้นมาแล้วเนี่ยจากเรื่องแค่ฟิสิกส์ธรรมดาขึ้นมามีการถ่ายเทของเรื่องความร้อนมีเรื่องค่าคงตัวมีเรื่องเอนโทรปีนี่กัปปะชาไม่ได้จะมาสอนฟิสิกส์นะคือไม่คุณลิฟายไม่มีความสามารถเบียงบเบนหรอกจำฟังเพียงแค่เอามาให้ยกเป็นตัวอย่างเฉยเฉยว่าเวลาท่านคิดนี่ประปุจาคิดนี่คือจะแค่คิดถึงตัวว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้คือมันจึงได้คาตอบว่ามันไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าตัวเองก็ไม่รู้อะไรกับการที่พอเริ่มจะรู้แล้วว่าเราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งเนี้ยไอสิ่งเนี้ยมันไม่ร่วมเป็นอะไรล่ะจึงตั้งชื่อมันไว้ก่อนว่ามันเกิอวิชาไอวิชาน่ยมันตัวดีนะท่านผู้ฟังถ้าเราอยู่ในมันแล้วเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราไม่รู้อะไรแต่พอเราอยู่นอกตัวมันเสร็จปุ๊บเราจึงค่อยรู้ว่าเออมันมีความไม่รู้นี้อยู่นะ สองอย่างนี้เหมือนกันตัวอย่างที่กพเจ้ายกไวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเกี่ยวกับเรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ประเด็นที่น่าสนใจของเจ้าอาวิชาต่อไปก็คือว่าในอวิชานี่มันเป็นความมืดที่คืบคลานไปอย่างไม่มีหยุดมันจะมีต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกท่านคิดอย่างนี้นว่าเพราะอะไรมีนอาอวิชาจึงมี พราะอะไรเกิดขึ้นเนาะอาวิชชาจึงเกิดก็ได้คําตอบต่อไปว่าก็อวิชชานั่นแหละมันครอบงําอยู่มันจึงเหนียวิชาเพราะมีอวิชชาอาวิชชาจึงมีเพราะาวิชาเกิดอวิชชาจึงเกิดคือมันระมบดแล้วไงระเ บ, บิดแล้วจะเบรกครูครั้งที่สองได้ไงคือมันล็อกกันอยู่สองชั้นเสมอถึงหว่าเสมอล็อกอะไรก็ตามต้องล็อกสองชั้นเสมอกิเลมันเอาเราสองด้านเสมอ ไม่เอาด้านซ้ายด้านขวาก็ด้านหน้าด้านหน้าไม่เอาด้านหน้าด้านหน้าก็ด้านหน้าด้านหลังคุณดิไม่เอาด้านหน้าด้านหลังไม่เอาด้านหลังด้านหลังมันล็อกกันสองชั้นเสมอเป็นคู่กันคู่กันด้วยกันขนานกันหรือคู่กันต่างกันตรงข้ามกันได้หมดจริงๆแล้วมันล็อกเราสามร้อหสิบองศาเลยล็อกเราให้เราไม่เข้าใจเราถูกคลุมอยู่ถูกปิดกั้นอยู่ด้วยอวิชา ยกตัวอย่างเช่นความรู้ทางด้านเอาแค่น้ำเดือดอย่างเงี้ยนูฟังแม่บ้านทำกับข้าวต้มน้ำน้ำก็เดือดจะไปมีอะไรมากมายใช่ปะมเห็นักวิทยาศาสตร์มันเห็นมันก็บอกมันทำไมน้ำมันเดือดวะก็ไปหาคำตอบโอ้การจัดเรียงโมเลกุลได้ความรู้เรื่องอะตอมเรื่องโมเลกุลขึ้นมาอีกอีกหนึ่งที่เป็นสาขาหนึ่งเรียนกัน3สปีเลยนะ อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย น, นี่มันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแป ล, ปลงถ่ายเทความร้อนเลยเนี่ยเทอร์โมไดนามิกออกมาอีกเป็นก้อนหนึ่งโอเรื่องนี้ฉันไม่เคยรู้เลยทําการวิจัยทําการทดลองกว่าจะคิดค้นเรื่องนี้ได้เป็นปีๆสอนการเรียนกันก็เป็นปีๆอีกองความรู้หนึ่งขึ้นมาปรากฏอีกพอเราแค่ว่าสงสัยว่าน้ําทำไมเดือดเนี่ยสิ่งที่ไม่รู้เรื่องเทอร์โมไดนามิกนี่ท่านพูดอะไรเนี่ยปรากฏขึ้นละ คนที่ไม่เข้าใจก็งงแล้วตัวมเดอร์นาเมนต์นีมันอะไรวะเกิดความไม่รู้เพิ่มขึ้นอีกนะถ้านึกที่ว่าก้นน้ำมันก็เดือก็รู้ันรู้ตรงนี้อยู่แล้วพอเราไปรู้ตรงนี้ความไม่รู้เรื่องตัวโมเดนาเมเกิดเพิ่มขึ้นมาเอาง้ก็ไปศึกษาดูศึกษาเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเป็นอย่างี้มันมีค่าของตัวงี้มันต้องเป็นทิ่ทางี้เรื่องเอนโทรปีก็ม e อีกเอนโทรปีนี่มันอะไรนะโอ้ยปุ๊บปริญญาเอกด็อกเตอร์นี่เขาเรียนกันเป็นปีปี จะสอนเรื่องนี้ให้เข้าใจได้ก็เป็นปีที่เราว่าเราเรียวก็เป็นปีที่เราว่าเรารู้เรื่องเทอร์โมได้แต่เมือม่อทำไมยังไม่รู้เรื่องอินเตอร์เฟีขึ้นมาอย่างนี้นะตัวอย่างที่ท่านวาอาจจะเห็นได้ชัดเจนนะเอาความรู้กับความไม่รู้นี่สมมติว่าความรู้ของเราที่เราแบบว่าจะเริ่มเติบโตขึ้นมาคุณยังมีความรู้เท่ากับรูปเปียงป อ, ง, องนี้นะคุณก็ไปเรียนหนังสือคุณก็อ่านหนังสือ ไปเรียนบัณมไปเรียนมัธยมความรู้จากที่ขนาดเท่าลูกเิงปองมันก็โตขึ้นมาเถ่าลูกเทนนิสพ อ, อเรามีความรู้เท่ากับลูกเทนนิสขนาดมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมก็ดีขึ้นละ เ, เราก็ไปเรียนความรู้ต่างๆเพิ่มเติมอีกเรียนระดับมหาวิทยาลัยเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆนั่นนี่ ความรู้ที่เท่าจากลูกเทนนิสก็ขยายโตขึ้นมาเท่ากับลูกฟุตบอลลูกฟุตบอล น, นี่ก็ใหญ่อยู่นะจนสนามฟุตบอล น, นี่เขาก็ใหญ่ขึ้นมากกว่าสนามเทนนิสละก็ในาคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้เน้ขนานะเท่ากับลูกฟุตบอลเราก็ไปเรียนความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเราเรียนคอร์สนั้นเรียนระดับปริญญาโท แล้วกเรียนคอร์สออนไลน์นี้หาหนังสือเล่มนั้นทําวิจัยอันนี้จากที่ความรู้ขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลมันก็ขยายใหญ่ขึ้นมาก็รู้มากขึ้นถ้าบลักรู้มากขึ้นก็เลยมีความรู้ขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอลที่มันใหญ่ขึ้นกว่าลูกฟุตบอลนี้ลูกบาสเกตบอลนี่ก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะข้างในาคือสิ่งที่รู้ข้างนอกคือสิ่งที่ไม่รู้ แน่นอนนะทุังว่าในขนาดที่เพิ่มขึ้นมันทําให้เส้นรอบผิวของลูกบาสเกตบอลนี่มันมีมากกว่าลูกฟุตบอลถูกปะเพอลูกมันใหญ่ขึ้นไงมันก็ต้องรักษาเส้นรอบผิวมากขึ้นเส้นรอบผิวของลูกฟุตบอลก็มีมากกว่าลูกเทนนิสเส้นรอบผิวของลูกเทนนิสก็มีมากกว่าเส้นรอบผิวของลูกปิงปองเพราะว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นไงถูกปะะ่ะ ประเด็นคือข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ดูบ่าล่ะเฮ้ยพอเรามีความรู้ขนาดเท่าลูปิงปองเราก็มีความที่เราไม่รู้ขนาดเท่าลูกปิงปองไงว่าเออมันก็ไม่รู้นิดหน่อยนะเรามีความรู้นิดหน่อยแล้วก็มีความไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนิดหน่อยหเท่าที่เรารู้นั้นแี่ด้พอเราขยายความรู้ของเราพเพิ่มเติมขึ้นไ ป, ไปเป็นขนาดเท่าลูกเทนนิสไอ้ที่เรารู้ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างหน่อยใช่ปะ เราก็รู้ว่าเเราก็ไม่รู้สิ่งนั้นด้วยเราก็ไม่รู้สิ่งนี้ด้วยไอ้ความไม่รู้ก็ขยายเพิ่มเติมขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับเจ้าความรู้นั้นก็หมายความคุณก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นนะเอาพ่เราไม่รู้เพิ่มขึ้นเราก็เรียนไปเรียนความรู้เพิ่มขึ้นเพราะเราก็รู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมเราก็เรียนเพิ่มขึ้นให้ลูกเทนนิสมันก็ขยายใหญ่เท่าลูกฟุตบอลขึ้นมาใอ้ลูกฟุตบอลเราคิดว่าเฮ้ยเราเรียนเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเรารู้แล้วว่่าาเรรรไไมู้อะ ให้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นเรายิ่งรู้ขึ้นเพิ่มเติมว่าอีกว่าเราไม่รู้อะไรให้ความไม่รู้มันเพิ่มขึ้นอีกไว้เอากระสินทร์รอปิวมันเพิ่มขึ้นถึงเวลาโอเราก็ไม่รู้เรื่องภาษานเนื้อเราก็ไม่รู้เรื่องภาษานี้ด้วยเราก็ไม่รู้เรื่องประเทศนี้ด้วยเราไม่รู้เรื่องประวัตินี้ด้วยให้เราคิดว่าเราศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หมดแล้วเฮ้ยมันมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกนะอยู่กัเรื่องระบบการเมืองในสมัยนั้นเรื่องบางเรื่องพยายามหาความรู้ในส่วนที่เราไม่รู้หาไม่ออกอีก คิดไม่ได้ความรู้ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความไม่รู้ไอ้คือเขาไปเรียความรู้เพิ่มเติมดิจนกระทั่งเท่ากับรูปบาสเกตบอลเนี่เพราะคุณรู้แล้วใช่ไหมล่ะคุณไม่รู้อะไรกุณไปหาความรู้เพิ่มดิก็บอกไปหาวความรู้เพิ่มมันเท่ากับลูปบาสเกตบอลมันดันกลับมีความไม่รู้เพิ่มขึ้นด้วยว่าโอ้ฉันก็ไม่รู้อันนี้แล้วอันนั้นด้วยเนี่ยงงตติมเลยท่านผู้ฟังงงตติมเลยมีแต่ความไม่รู้เพิ่มขึ้น ลักษณะของอวิชชามันเป็นอย่างนี้มันจะบวมออกบวมออกบวมออกแล้วก็มืดมืดไปหมดไม่รู้ด้วยว่าตัวเองบวมอมอกครอบงําปกคลุมปิดกัน้นให้ไม่เห็นถูกห่อหุ้มเติ้นใช้คานี้ว่าถูกขมือบอยู่ถูกกลุ่มมืดขมึอบอยู่ ห่อหุ้มอยู่ปิดกั้นอยู่เหมือนเอาดินเหนียวมาพอกที่ตาเนี่ยนะพอพอกจนมันคือพอกทั้งหน้าเลยเหลือแต่จมูกแล้วก็ปากแค่นี้ปิดไม่หมดเลยนี่ปิดหมดแล้วก็หนาด้วยเอา้าวโอ้โหมันมันหนักมากเนี่ยนี่จะทำํำยังไงเอาวิชาเป็นอย่างงี้เอาวิชาเริ่มมาคิดไงว่า นี่ a k อเบรกทูอันแรกก็นใช่ไหมสังขารนิพพิชารู้แล้วว่ามันมีอวิชชารู้แล้วมันมีอวิชชานี่ b เบ a k มาจุดหนึ่งละมันล็อกต่อไปอีกนะว่าเพราะอะไรมีล่ะอวิชชาจึงมีก็วิชานั่นแหละล็อกก็นี่ช็อตที่สองก็วิชานั่นแหละก็บวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆ เ, เอาใหม่เอาใมมนั่งกําดาลใหม่นี่จะเริ่มเปิดเกมใหม่ละเป็นผู้ชาของเราเอางี้ จะให้อวิชารีดับไปอะไรต้องดับไปจะให้วิชาดับไปเรื่องดับไปเพราะอะไรไม่มีอวิชาจึงไม่มีเอาก็ฤตขึ้นบอกว่าเพราะมีอวิชามันจึงมีอวิชามั้ย่ะเอาไว้เอวิชามันต้องดับสิอวิชามันจึงดับเออคืนนี้ไม่ได้กวนนะถูกฟังนะเพราะอวิชาดับวิชาจึงดับเหรอคนี้เอาใหม่เาใหม่ไปทำใหม่ทำใหม ต้องพลิกมุมคราวนี้ต้องพลิกมุมเพราะอะไรมีอวิชชาจึงจะดับอ่ะถามงี้แล้วกันตะกีถามว่าเพราะอะไรดับอวิชชาจึงจะดับใช่ไหมโ อ, โอ้ก่อนหน้านี้มาถามว่าเพราะอะไรมีอวิชชาจึงมีถูกปะโอเคก็เพราะอวิชชานั้นแหละอวิชชาจึงมีมันล็อกกันใ น, นที่เสานี้พระาะอวิชชาเกิดอวิชชาจึงเกิดเอางี้เพราะอะไรดับอวิชชาจึงดับก็ได้คําตอบว่าก็อวิชชานั้นแหละดับอวิชามันจึงจะดับ เอาใหม่เอาใหม่พลิกอีกมุมหนึ่งเพราะอะไรมีอวิชชาจึงจะไม่มีเพราะอะไรเกิดอวิชชาจึงจะดับเพราะวิชาไงระวังต้องมีวิชาคือความรู้เพราะความรู้นั่นแหละมีอยู่ความไม่รู้จึงจะดับไปเพราะความรู้นั่นแหละเกิดขึ้นความไม่รู้จึงจะไม่มีดับไปได้ วิชากับวิชาเนี่ยมันจะเป็นคู่ตรงก้ามกันเอาแล้วความรู้นี่มันรู้อะไรอ่ะความรู้หนึ่งรูปประเภทไหนอะก็เป็นความรู้ชนิดที่จะดับวิชาได้จึงไม่เหมือนกับความรู้ของลูกปิงปองลูกเทนนิสลูกบาสเกตบอลต่างๆเหล่านี้คําถามคือวิชาละ่ะมันคืออะไรครัฟังเรามาติดตามต่อกันในเอพิโซดหน้า เป็นปฏิจจสมุมบาทสายที่จะให้เกิดความรู้ละเป็นกู่เป็นสายเป็นลำดับขั้นของการปฏิบัติที่จะให้อาวิชชานั้นดับไปที่จะให้ความรู้นั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ผรอยากจะเน้นย้ำเรื่องนี้ตัวฟังว่านี่เป็นวันข้อพัญษาแล้วเป็นพันษาการประจำปี2 5 6พ ในช่วงพรรษานั้นทางข้อปฏิบัติของพุทธศาสนาโดยเนยยาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้มีการเข้าจําการเข้าจํานั้นหมายถึงการที่เราตั้งใจว่าเราจะอยู่สักที่ใดที่หนึ่งในตลอดสามเดือนนี้พระเจ้าอยากจะให้ทุกฝั่งนั้นได้ตั้งใจในลักษณะเดียวกันแต่แทนที่ว่าจะเอาที่อยู่เป็น รั่วรอบขอบชิดกำแพงเขียนอะไรต่างๆไม่แต่ให้มีที่อยู่เรื่องอยู่คือวิหารธรรมให้เราเลือกวิหารธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติอันใดอันหนึ่งที่เราจะทำทุกวันเป็นประจำในตลอดท่วนไตรมาสนี้ที่ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปก็ปฏิบัติอย่างเช่นว่า คนที่อาจจะตื่นเช้าไม่ได้ทุกวันเอาฉันจะเอาการตื่นเช้าเป็นเครื่องอยู่เสาร์อาทิตย์วันอยู่ยังไงฉันตื่นตีห้าขึ้นมาฟังธรรมดราบรุญอย่างนี้ก็ได้หรือสําหรับบางคนเรื่องการออกกําลังกายเอาเอาการออกกําลังกายเป็นวิหารธรรมในตลอดท่วนไตรามาดนี้ว่าฉันจะออกกําลังกายทุกวันน น, น้อยก็ตามมากก็ตามบางคนเอาการอ่านหนังสือเป็นเครื่องอยู่ หลกกพ่เจาตอนนี้เรียนวิชาภาษาบาลีในระดับประโยคป ร, ริยนธรรมสก็จะเอาการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เอาให้มีการอ่านหนังสือทุกวันอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงหรือสำหรับบางคนอาจจะเอาการนั่งสมาธิเอาการเดินจงกรมเอาการกินมื้อเดียวเอาการไม่เอ็งกายนอนกลางวันหรือเอาก็ปฏิบัติอันใดอันหนึ่งมาทา ฟังในช่วงตลอดห้วนไตรามาสนี้ตั้งใจทำให้ได้เป็นกำลังใจให้เราจะมีการพัฒนามีความเจริญก้าวหน้าใน ร, รมัยในนี้แน่นอนในช่วงของตายร่มบริวรนั้นจะมาพบกับตรรมบุฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หรือว่ากระแยของกรมบริษัทสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้จัดโดยมุนิธิปัญญาภาวนากัมประมหาไปบุญอาภิปุนโนท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมุนิธิปัญญา .org p a n y a .org กัปปชาประมหาไปบุญอาภิปุนโน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬบพอน์